เบื้องบนปกคลุมไปด้วยกิ่งก้านของไม้ใหญ่เป็นเงาคลื้มราวกับอุโมงค์และก่อนที่ใครจะรู้เหตุผลหรืออ้าปากถามคำใดออกมานั่นเองระพินก็เหวี่ยงปืนขึ้นประทับบ่าเร็วจนแทบดูม่ทันพร้อมกับเสียงกระสุนระเบิดกึกก้องสถานดงอะไรอย่างหนึ่งรายพอยสลอยละลื่ลงมาจากคาคบไม้ใหญ่ส่วนที่มืดที่สุดหล่นพากลงมากระทบพื้นเสียดร่างของบุญคที่กาลังก้าวดุ่มเดินไปอย่างมิทันรู้ตัวนั้น เพียงนิดเดียวเสียงบุญคำเผอตัวร้องออกมาอย่างตกใจก็โจนหวือหลีกไปทางหนึ่งด้วยสัญชาตญาณเจ้าสิ่งนั้นดิ้นปัดเป็นวงกลมอยู่กับพื้นใบไม้แห้งกระจายว่อนแล้วนอนตะแคงตัวคูกริงขาทั้งสี่สั่นกระตุกเล่าๆพรานใหญ่สาท้าตรงเข้าไปโดยเร็วในขณะที่คนอื่นๆตื่นจากตะลึงวิ่งพลูเข้าไปด้วยเสือดาวตัวขนาดหมาพันอันเซเชียนหยุดการดิ้นลงลงแล้ว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 ยังเหลืออยู่ให้เห็นชัดเศษเสื้อผ้าบางส่วนยังขาดติดอยู่กับกิ่งน้ำไผ่ซึ่งมองดูกันด้วยสายตาทั่วๆไปในขณะ น, นี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าบุญคําจะบุกตลอยฝ่าน้ําอันหนาแน่นและแหลมคมที่โคนไผ่กอมหึมานี้เข้าไปหลบอยู่ได้อย่างไรบุญคําเดินเข้าไปเก็บกลักยาสูบของตนเองที่ตกในขณะนี้ตเตลิดเปิดเปิงและยังคงตั้งอยู่ที่เดิมขึ้นมาพร้อมกับสะบดพึมพำ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 เชษฐาพูดขึ้นโดยเร็วกวาดสายตาไปรอบๆ บ, บุญคำสำรวจทิศทางเหมือนจะทบทวนความจำในเหตุการณ์สยองที่ตนได้ประสบมาแล้วก็ก้าวรุดหน้าต่อไปห่างจากกอไผ่ที่ช่วยชีวิตบุญคำไว้ออกมาทางทิศเหนือประมาณสิบเส้นนั่นเองทั้งหมดก็พบกับชิ้นส่วนของกระดูกและเนื้อของมนุษย์กระจายเรี่ยร่าอ ย, อยู่ในพงไม้เตี้ยๆที่มีรอยหักรูแรกยับแทบจะจำไม่ได้เลยว่า มันจะเป็นเศษเนื้อและกระดูกของคนหรือสัตว์ชนิดใดสิ่งที่พอจะยืนดานยืนยันได้ก็คือเศษเสื้อผ้าและกระโหลกอันบีแบนของผู้ตายชนิดที่ทุกคนมองเห็นตะลึงงานเงียบกิบกันไปหมดหม่อมราชวงศ์ดารินหลับตาลงหน้าซีดเหมือนจะเป็นลมเพราะความสยองใจหวาดเสียวทุกคนมองดูภาพนั้นอย่างสงเวชอเิตอนาใจชายยันกัดกรามแน่นอย่างว่านั่นแหละยะ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 จนกระทั่งได้ชีวิตอินไปสังเวยความดุร้ายกระหายเลือดและอาฆาตแค้นของมันที่มีต่อมนุษย์ทุกคนแล้วไอแหว่งก็นำโรงลงไปทางทุ่งหลังเขาเช่ฐาและชายยานพบปลอกกระสุนปืนลูกซองที่บุญคำกับอินยิงปะทะมันไว้สองปลอกซึ่งน่าสงสารคนยิงเหลือประมาณกระสุนอีเร่บรรจุลูกปลายแบบ s c 9เมของเขาคงมีอิทธิพลเพียงแค่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 เขาไม่ได้เอ่ยปากคำใดแก่คณะนายจ้างตาสังเกตไปยังการกัดไกรของกิ่งใบไม้ทั้งสูงและต่ำแล้วกระโดดขึ้นไปบนโขถินสูงก้อนหนึ่งลูดใบไม้เล็กๆ เ, เ, เต็มกามโปรยช้าๆตรวจ ด, ดูการปลิวของมันบุญคำเข้าไปซุบซิบหาหรืออะไรอยู่ครู่แล้วพินก็กระโดดกลับมาอย่างคณะนายจ้างเป็นยังไงทางลมมันหวนไปหวนมาพิกนนะชยยันเอ่ยขึ้นแผ่วเบา ครับผมเกรงว่ามันจะได้กลิ่นราสีก่อนแต่ถึงอย่างไรเราก็จะลองตามมันลงไปในทุ่งก่อนอื่นมาพักกินอาหารกลางวันสิก่อนเถอะเที่ยงแล้วเราอาจไม่มีเวลาหยุดพักได้อีกถ้าหากร่องรอยของมันกระชันเข้าไปอารม์เคร่งเครียดและตื่นเต้นของทุกคนนับตั้งแต่แรเห็นศพอันแสนทุเรศอันอเนจอานาดของอินทาให้พากันลืมเรื่องอาหารไปเสียหมดสิ้นเมื่อพรานใหญ่เอ่ยเตือนขึ้นทุกคนจึงนึกขึ้นมาได้ ต่างหยุดพากพระประทานกันอย่างเร่งรี้พอให้หมดภรราระกังวลไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมราชวงศ์หญิงดารินหล่อนกินเข้าไปได้เพียงคำสองคาก็อิ่มเพราะกลืนไม่ลงอันเนื่องมาจากภาพศพอันน่าหวาดเสียวของลูกหากที่เห็นอยู่เมื่อครู่นี้ติดตาร้อนความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาหล่อนเคร่งขึมไปถนัดไม่ช่างพูดเหมือนเคย แต่แววตาบอกความเด็ดเดี่ยวห้าวหาอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนไปยี่สิบนาทีหลังจากนั้นทุกคนก็ตัดป่าร่วกลงสู่เนินราดลงเป็นลำดับจากรอยที่เห็นไอแหวงกับโครงของมันภายหลังจากช่วยกันขยี้เหยื่อแล้วก็พากันเดินเข้าขบวนบ่ายหน้าลงไปทางทุ่งในระหว่างหุบเขาอย่างสบายอารมณ์โดยไม่มีการเร่งร้อนมีรอยหยุดหากินบางแห่งปรับปรายสังเกตได้จากรอยหักยอดไม้และลอกเปลือกทิ้งไว้เกลื่อน การแกะรอยเป็นไปอย่างสะดวกเพราะพื้นดินอันเริ่มจะชื้นแจะขึ้นเป็นลำดับเนื่องมาจากฝนที่ค่อนข้างจะชุกในดงแถบนี้พอสุดบริเวณเนินราดออกปากดงติดต่อกับป่าโปร่งที่จำนำออกทุ่งฝนก็โปรยลงมากระแสลรรมพัดจากบริเวณทุ่งเข้าหาเขารอยของช้างเกเรทั้งโครงย่ำเป็นเทือกไปตามสมทุ่มพุ่มไม้และหน่อหญ้าคาอันเพิ่งจะแตกระบาดเขียวชอุ่มชนิดที่น่าจะเชื่อว่า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 และในขณะนี้ผมอยากจะเชื่อว่ามันอยู่ห่างจากเราในระยะไม่เกิน3กิโลเมตรเข้าไปในดงโน้นถ้าไม่กระสากิ่นแล้วเตลิดเสียก่อนพรานใหญ่พูดแผ่วต่ำปาดแขนเช็ดน้ำฝนที่เกาะ อ, อยู่บนใบหน้าแล้วบุยปากไปทางดงด้านเหนืออันเห็นเขียวทึบสูงทะมึนอยู่ในท่ามกลางหมอกฝนเชิถากับชายยันตารุกโพจ้องตามรอยตีนเป็นทางเหล่านั้นแล้วเงยขึ้นไปจับอยู่ที่ปากดง อาจหากินอยู่ชายชายดงก็ได้ถ้าเลือกทางเข้าให้เหมาะคงได้พบก่อนมันจะไหวทันชัยยันว่าแล้วหันไปมองดูเชษ้ถาเหมือนจะขอความเห็นชี้ขาดหัวหน้าคณะเดินทางสบตาสหายของเขาแล้วเปลี่ยนคำถามหรืออาการหาดู น, นั้นไปยังพรานใหญ่โดยสายตาเช่นเดียวกันระพีนเม้มริมฝี ป, ปากยามนี้ถ้ามีรําพังเขาเกิดและบุญคําอันเคยรู้มือรู้ใจกันมาก่อนในเรื่องเช่นนี้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 เหล่านั้นไม่เข้าใจอะไรหรอกและนิยามหน้าสีหน้าขวานเช่นนี้พี่อยากจะให้น้อยสงบเงียบคอยปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นเป็นดีที่สุดหล่อนไม่ต่อร้อต่อเถียงเพราะนั่นเป็นการพูดอย่างอารมณ์ไม่ดีและจริงจังผิดปกติไปของพี่ชายคนใหญ่ที่หล่อนรักและนับถือวางแผนมาส่จะเอาอยัางไงกันชัยยันเตือนมาโดยเร็วถูฝ่ามืออันซีเถียวและเย็นเฉียบด้วยสายฝนที่กำมาเข้าหากันโดยแรง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 แกน้อยและทุกคนคอยอยู่ข้างนอกนี่แหละดีแล้วคอยดักยิงตอนที่มันอาจแตกฝูงวิ่งเตลิดออกทุง่งหรือโผล่ออกมาหเห็นตามชายดงฉันกับระพินจะย่องเข้าไปดูมันเองเช่ดถาหันไปตบไหล่เพื่อนชายยันพยนักหน้าโดยดีส่วนหม่อมละชงหญิงดาลินก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแต่ส่งจุด3 7ห้าในมือไปให้แงซ า, ายและแลกเอาจดดับเบิลไรเฟิลของหลอนกลับคืนมา หักลำออกตรวจดูกระสุนในลำก้องเพื่อความแน่ใจอีกครั้งทั้งหมดตรงไปที่ระมาอททึบชายดงอันมีระยะห่างจากปากดงซึ่งมีทุ่งหญ้าและทิวมะขามป้อมคันอยู่ประมาณ150เมตรแยกย้ายกันเข้าซุ่มดักสกัดทิศ ท, ทางโขงช้างป่าที่อาจตเตลิดออกมาจากดงทึบและพินสั่งความกับเกิดและบุญคำอีกสองสาก็พยักหน้าชวนเชษฐาเดินอย่างรวดเร็วฝ่าสายฝนอ้อมวกไปทางใต้ลม มุ่งเข้าสู่เริเวดงทึบอันเป็นป่าใหญ่ริมเชิงเขาหมายอ้อมไปสกัดหน้าทั้งสองรุยฐานแคบๆน้ำตื้นเพียงเขาข้ามไปอย่างระมัดระวังใต้เขาสตลิงสูงฝั่งตรงข้ามโดยอาศัยรำต้นไม้รมที่ทอดลงมาเหมือนสะพานแล้วย่องไปตามรำห้วยที่เบื้องบนปกคลุมหนาทึบไปด้วยกิ่งไม้ราวกับอุโมงในเวลาในขณะนั้นเพิ่งจะบ่ายสองโมงเศษแต่ท้องฟ้าอันมืดคึ้มไปด้วยฝนอย่างหนึ่ง ดงอันทึบอีกอย่างหนึ่งทำให้เยือกเย็นมืดสลัวเหมือนใกล้ค่ำฝนในบริเวณดงขาดมิดไปแล้วแต่เกาะชุ่มอยู่ตามกิ่งไม้หยดกระทบพื้นกรูกราวตลอดเวลาเสียงจะกระจันรองนายร้องแซดระ ง, งมบางขณะฝูงข้างบนยอดไม้เหนือศีสะกระโดดอยู่โครมครามขยาวน้ำที่ขังอยู่ตามใบไม้ให้เทกล่าวลงมาไอาระอุของพื้นดินอับระเหยพูบวาบขึ้นมาสัมผัสกาย ทำให้เกิดความรู้สึกตะขั้นกระครออย่างไรพิกลพรานใหญ่เดินนำไปเบื้องหน้าโดยมีเชษฐากระชับจุดหกศูนย์นไนโตรตามกระชั้นชิดมาเบื้องหลังอย่างเบากริบ ป, ประสาทหูและประสาทตาเปิดพร้อมทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันเลยแม้แต่คำเดียวนอกจากถ้าจำเป็นก็ใช้ภาษาใบมุดไปตามรำห้วยคดเคี้ยวนั้นไม่ต่ากว่า10นาที จึงตัดขึ้นพงน้ำและป่าคอยสลับไปด้วยยูงยางที่สูงระเหิดแงนคอตั้งปกคลุมเป็นหลังคาทึบด้วยเถาวันและเฟินทุกฝีเท้าเหยียบย่างของระบินไม่ผิดอะไรกับการเคลื่อนไหวของแมวหรือเสือมันเงียบที่สุดเชษฐาพยายามเดินตามในลักษณะเดียวกันฝนเทลงมาฉ่ำพื้นที่มีใบไม้แห้งหล่นอยู่ทับโถมทาให้มันเปียกชื้นช่วยขึ้นได้อีกเป็นอย่างมาก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 ราวกับจะเกิดขึ้นจากอุปทานพรานใหญ่คืบต่อไปอย่างแช่มช้าเชิฐาก็คดดิบตามหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกสักอใจใหญ่ต่อมาเมื่อเข้ามาอยู่ในดงเถาวันกลางป่ารานที่ขึ้นบเบียดเสียดหนาแน่นเสียงที่ได้ยินอย่างแผ่วเบาเหล่านั้นก็เริ่มสดับได้ถนัดยิ่งขึ้นประเดี๋วดังจากเบื้องหน้าประเดี๋ยวจากเบื้องหลังบางทีก็ด้านซ้ายแล้วก็ขวาโอ้โห เชษฐาเพิ่งจะตระหนักแน่รู้ตัวชัดเดี๋ยวนี้เองว่าทั้งเขาแร่ระพีตกเข้ามากลางโขงของมันเสียแล้วอย่างเงียบเชียบที่สุดช้างป่าโขงนั้นกระจายกันออกหากินภายในเนื้อที่ประมาณห้าไร่แวดล้อมรอบกายเขากับพรานใหญ่ในขณะนี้โดยมีสุมทุ่มพุ่มพึกอันหนาแน่นเป็นเครื่องปิดบังอำพรางตัวอยู่ทาให้ไม่สามารถจะค้นหาได้ถนัดนอกจากอาศัยฟังโดยเสียง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 หรือดงกระต่ายฉะนั้นเมื่อสายตาของเขาเป็นคำถามรล้วปินก็จ่อริมฝีปากชิดถูกระซิบพยายามมองดูให้ดีนะครับเห็นตัวก็สัดเลยตัวไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องเลือกว่าเป็นไอ้แหวงหรือไม่พวกมันจะแตกตื่นหนีออกไปชายดงที่พวกเราทางนู้นดักอยู่เองเช็กถาปลดเซฟไรเฟิลค่อยๆ ย, ยันตัวขึ้นคุกข่าวพร้อมกับพระปิน ต่างพยายามสอดสายสายตาค้นหาไปตามพงทึกรอบด้านที่ได้ยินเสียงอยู่ทั่วไปแ้ะพินเห็นใบหูใหญ่โตโบกอยู่ไปมาระหว่างใบรานทางซ้ายมือห่างออกไปราวส0สเมตรและเชษฐาก็เห็นขาหลังของตัวหนึ่งที่บังซุม้มยืนโยกสีอยู่กับลำต้นตะเคียนใหญ่โดยมีพงเถาวันทึบบางส่วนอื่นๆอยู่ทั้งสองประทับปืนนิ่งขึ้ขนพร้อมๆกันพยายามคานวณค้นหาเป้าหมายอันแน่นอน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 ภูเขาสีดำสองลูกตะลุยซุ้มไม้หักยับเป็นทางตรงดิ่งเข้ามาตัวแรกปรีเข้าไปที่ระพินห่างเพียงไม่ถึงสิบก้าวงาโผพ้นปากกุดสั้นอยู่เพียงสอกเดียวแต่สูงทะมึนมะหึมางเณคอตั้งม้วนงวงชูขึ้นเท้าอันใหญ่โตทั้งสี่ย่ำแผ่นดินสะเทือนส่วนตัวที่สองวิ่งตามติดมาเบื้องหลังห่างกันเพียงเล็กน้อยเสียงร้องอย่างเกลี้ยกราดดุร้ายไม่ผิดอับอายกับพญามาจุราช ตูมแรกที่กึดกล้องกลบเสียงร้องของมันคือจุดส7 5เจห้าในมือของระพินขณะที่เขาร่านกายเป้าหมายเคลื่อนเข้ามาในระยะไม่เกินห้าวามือขนาดนั้นไม่สร้างปัญหาอะไรขึ้นเลยก็สูญน้ำหนักสา0ร้อยเกรนหัวแข็งเจาะเนื้อโคนงวงขึ้นไปเล็กน้อยร่างอันใหญ่โตโมโหรานซุดจำเบ้าไปในพริบตาราวกับเป่าด้วยมนต์สะกดอันพิเศษแล้วก็คลืนถลม่มลงทับต้นลานเล็ ก, ลกๆหักราพนาศูน ตูมที่สองซึ่งลั่นประสานขึ้นในเวลาติดต่อกันเป็นเสียงจ .60 หกนในโตรของเชททิฐาหัวกระสุนขนาดหนักและแรงประทะอันใหญ่ยิ่งที่สุดในบรรดาไรเฟิลสัตว์ใหญ่ทั้งหลายสว้าปามเข้าให้ที่สีข้างของเจ้าตัวที่สองจ้าตัวหัวโตวงากุดเซถนําปัดเป๋ส่งเสียงร้องโอกรันป่าแล้วก็ปาดเข้าใสยคนยิงด้วยพลังช่วงสุดท้ายของมันแล้วผินว่าไรเฟิลในมือตามกดเข้าให้อีกตูม เนื้อกกหูขึ้นไปสองช่วงฝ่ามือทะลุศีรษะอันใหญ่โตส่วนบนพลาจากตำแหน่งที่ตั้งของมันสมองไปองคุรีเดียวทำให้ม่สามารถที่จะหยุดมันลงได้อย่างกระทันหันเหมือนตัวแรกและเจตนาของมันที่พุ่งเข้าใส่เชษฐาก็ไม่เปลี่ยนราชกุลหนุ่มวิ่งหนีอ้อมโคถินส่องปากกระบอกปืนเข้าใส่ห่างจากศีรษะมันเพียงวาเดียวแล้วก็ปล่อยกระสุนรากล้องซ้ายออกไปในวินาทีดับจิตนั้น มันทรวงเข้าไปในขมับขวาตีคว้านกระดูกให้กระเด็นออกมาจากบาดแผลทางออกชิ้นขนาดฝ่ามือไม่ทันจะสิ้นเสียงระเบิดไอ้ยักษ์ใหญ่ตัวที่สองก็ล้มตะแคงเหมือนถูกมืออันทรงอำนาจผักจากนั้นเชษฐาก็รู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในห่วงฝันร้ายป่ารอบด้านเป็นหนึ่งว่าจะเกิดกะลียุกแผ่นดินถลม่มลงเสียงแผดร้องประสานกันกึน ก, กก้องเสียงไม้ไร่ ร, รอบด้านหักวินาศ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 เชิดาบรรจุกระสุนเศษกระส่าตามหลังอีก3ามสี่ตัวที่เห็นวิ่งเหยาะเาะป่าร่าไปทางพงบื้องหน้าตัวรลังท้ายที่สุดสุดหมอบอยู่กับที่แผ่เสียงร้องร่าอย่างเจ็บปวดพยายามจะตะกายลุกขึ้นยักแย่ยักยันส่วนอีกตัวหนึ่งราขาหลังซ้ายเป็นทางลู่เข้าไปในป่าผ่าเจ้าตัวที่กําลังยักแย่ยักยันอยู่นั้นก็ล้มตงล้มตึงลงอีกด้วยกระสุนจุดสห้าของระพินที่ซ้ํามาอย่างดุดันเฉียบขาด